มนุษย์เรามีความคิดในเชิงลบด้วยกันทุกคน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 ทุกท่านทุกค น, นสามารถที่จะเลือกนำเอามาใช้กับตัวเราได้เราไม่ต้องว่าจะต้องบวชซะก่อนจะต้องไปเรียนซะก่อ น, นไม่ต้องในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตที่ประเสริฐประกอบด้วยปัญญาได้ด้วยการปฏิบัติธรรม เ, เราต้องสร้างขึ้นมาต้องทำขึ้นเอง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 คือความระ ล, ลึกได้เมื่อมีความระ ล, ลึกได้เมื่อไหร่แล้วก็ก็จะประกอบไปด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทุกครั้งที่เรามีสติก็จะมีความระ ล, ลึกได้แล้วก็มีความรู้ตัวในขณะปัจจุบันนั้นมันจะเราพลิกมือหงายแล้วก็ลึกได้แล้วก็มีความรู้ตัวในการหงายมือนั้นหรือพลิกมือควา่า เราก็ระลึกได้และมีความรู้ตัวในขณะนั้นด้วยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันระหว่างสติกับสัมปชัญญะความระลึกได้แล้วก็ความรู้ตัวการก้าวเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวก้าวแต่ละครั้งแล้วก็มีความระลึกได้แล้วก็มีความรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นด้วยเวลาที่จิตมันคิดขึ้นมาเกิดความคิด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 หวันสองวันสมวันคิดดูเถอะกว่าเราจะตายไปจากโลกนี้เนี่ยสติจะมากน้อยแค่ไหนก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเยมื่อสติมากสติก็จะเปลี่ยนเป็นปัญญาคือเอาปัญญามาใช้ว่า ง, ง่ายๆก็คือจเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาคือรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกายกับจิตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวง ถ้าเกิดปัญญาแล้วก็สบายแนละ้วทุกจะไม่เกิดขึ้นมันจะเริ่มเห็นแจ้งเกี่ยวกับเรื่องตัวเรานะปัญญาทําให้เกิดธรรมวิจยะคือเห็นธรรมในตัวเรารู้ธรรมก็มาจากความรู้ตัวนี่แหละเมื่อเรามีความรู้ตัวก็รู้ธรรมไปในกณ ะ, ะเดียวกันนะจะเกิดธรรมวิจยะเห็นรูปเห็นนามเริ่มไปไกลแล้วนะเริ่มพัฒนาจิตแหละจากจิตธรรมดาเนี่ย การเป็นจิตที่ฉลาดเห็นรูปเห็นนามสติเนี่ยทำหน้าที่แยกรูปแยกนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามก็รู้จักรู้เห็นเข้าใจเกี่ยวก็เรื่องรูปนามเนี่ยเป็นการละสากายะติถิเลยคือมีความเห็นว่ารูปนามเนี่ยเป็นตัวเราของเรานะเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วก็เริ่มได้ทางของการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว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 เห็นแล้วก็ช่วยเหลือแก้ไขรูปที่มันผิดปกติเนี่ยให้เข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติได้เห็นรูปเป็นทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์ก็ทำหน้าที่แก้ไขไปคนเรานี่ถ้าว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักธรรมะแล้วก็เมื่อเวลารูปเป็นทุกข์คือส่วนร่างกายเป็นทุกข์ใจก็จะเป็นทุกข์ด้วยร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้ว่ารูปมันป่วย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 วิตกกังวลกลัวส e okay. ิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้กลัวรูปจะไม่หายกลัวเราจะเป็นทุกข์เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปว่าเป็นเราเนี่ยเพราะการปรุงแต่งใจก็เลยเป็นทุกข์ใจคือส่วนของนามนามก็เลยพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยซึ่งทั้งรูปทั้งนามนี่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเัมืนั้นเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าความคิดที่ไปยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราของเราใจเลยเป็นทุกข์ไปด้วย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 ในเวลาเดียวกันเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวจิตขณะนั้นจะประกอบด้วยสมาธิจะประกอบด้วยปัญญาคุณสมบัติของความรู้สึกตัวเนี่ยเขามีความรู้มีความตื่นมีความสดใสเบิกบานอยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้คือผลในขณะเดียวกันทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยชีวิตจะอยู่กับปัจจุบัน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 แล้วยิ่งมาปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตด้วยการเจริญสติอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยยิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองมองตัวเองในทางบวกมากยิ่งขึ้นเกิดความภูมิอบภูมิใจในตัวเราเราเกิดมาเนี่ยไม่ไร้ค่าแนละ้วแม้ร่างกายพิการจิตใจมันก็ดูแล้วไม่ไร้ค่าพราะ น, นําเอาสภาพที่พิการไร้สาระนำมาปฏิบัติธรรมคือมาทําชีวิตให้เป็นประโยชน์ที่สุด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 ลองมาทําตัวนี้มากๆมาปฏิบัติทำมาใช้ชีวิตด้วยการเจริญสติอยู่เสมอเป็นการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐมีสาระจะมองชีวิตไปทางที่เป็นบวกด้วยการเจริญสตินี่แหละอย่าทําแบบรีบร้อนรีเพล่งหรือลังเลสงสัยอะไรเลยเดินหน้าด้วยความรู้สึกตัวตะพฤต์เือเวลากายเคลื่อนไหวก็ให้มีสติรู้เคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามให้รู้เท่าทันกาย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 ลงทุนที่จะขยันจเจริญสติแต่พอสติมันเกิดขึ้นมามากแล้วเนี่ยความขยันเนี่ย<ม>ก็จะเกิดขึ้นตามมาเองทำแบบไม่ต้องไปหวังผลอะไรทำเรื่อยๆสบายๆทำง่ายๆรู้ง่ายๆรู้แบบสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเพ่งรู้สบายๆไม่ต้องหวังผลอะไรการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไปหวังผลว่าจะได้อะไรนะเวลาไม่ได้ย่างที่เราหวังแล้วก็